วันนี้คง ม, มีญาติโยมมาใส่บาตรหรือว่าถวายสังฆทานนี่มากกว่าปกตินะก็ไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะอาจจะที่อื่นด้วยนะเพราะอะไรนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระใหญ่นะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เป็นมงคลและที่สาคัญคือว่าวันนี้เนี่ยลอตเตอรี่ออกด้วยนะ สําคัญมากเลยนะะประการหลังเนี่ยชักนําให้ผู้คนนี่ออกมาใส่บาตรนาบานก็ดีหรือว่ามาใส่บาตรที่วัดก็ดีนะเพราะว่าเชื่อว่าเนี่ยเออถ้าทําบุญวันนี้แล้วเนี่ยนะบุญจะหนุนส่งให้ได้โชคได้ลาบและโชคลาบที่ผู้คนปรารถนาในวันนี้เนี่ยคือถูกลอตเตอรี่หรถูกหวยนะเรื่องลอตเตอรี่เรื่องหวยนี่ก็เป็นเรื่องที่ คนไทยเนี่ยจำนวนมากน่ผูกพันกันมานานเมื่อเร็วๆนี้ก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะเรื่องของ t i ๊ t ต k นะไม่ถึงนาทอีอ่ะเป็นเรื่องของผู้ชายคนหนึ่งนะจะมีเชื้อสายอินเดียจะบอกว่าในตะกรเนี่ยผมมีชีวิตที่หรูหรามากเลยนะ ซื้อรถราคาแพงๆแล้วก็ซื้อแต่รถป้ายแดงนะแล้วแกก็โชว์ภาพรถที่แกซื้อเนี่ยเบนก็ดีนะหรือว่ารถประเภทซุเปอร์คาร์ป้ายแดงราคาแพงๆแล้วก็เล่าว่าวันหนึ่งีมีเพื่อนมาแนะนำนะ เ, ะเนี่ยให้ลองซื้อลอตเตอรี่สินะ ให้ลองเล่นลอตเตอรี่ชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะแล้วกก็เชื่อเพื่อนนะแกก็เริ่มซื้อลอตเตอรี่ไม่รู้ว่าวันหนึ่งหรือว่าครั้งหนึ่งนะครั้งละหมื่นสองหมื่นไม่รู้ว่าซื้อนานเท่าไหร่นะปรากฏว่าชีวิตแกเปลี่ยนจริงๆนะจากเดิมที่ขับเบนซ์นะกลายเป็นขี่จักรยานแทนนะ ขี่จักรยานขายลอตเตอรี่นะโหจากคนที่ร่ำรวยนะนะเ น, นี่ยนะขี่เบ้นเนี่ยมาขี่จักรยานขายลอตเตอรีนะ่แสดงว่าชดนี่เปลี่ยนจริงๆเลยนะเปลี่ยนอย่างพวุหภาพเลยว่ชที่ตกอับนะรถก็ไม่มีขับนะต้องขี่จักรยาน แล้วก็ธุรกิจที่มีก็คงจะหมดนะจึงต้องมาขายลอตเตอรี่นะอันนี้แกก็ไม่รู้ว่าคนที่ว่านี่เนี่ยเชื่อก็เป็นง้จริงๆรหรือเปล่าหรือว่าเขามาแสดงให้เป็นแบบอย่างเตือนใจผู้คนนะว่าอย่าไปเชื่อนะที่เขาบอกว่าเนี่ยซื้อลอตเตอรี่แล้วชืวอจะเปลี่ยนเนี่ยนะมันก็เปลี่ยนจริงๆนะแต่ว่า มันไม่เปลี่ยนไปในทางที่ดีนะย่ำแย่ตกต่ำนะแต่ว่าคนก็ไม่ค่อยได้ตระหนักนะแล้วก็หวังว่าเนี่ยรู้อยู่นะว่าลอตเตอรี่นี่มันอาจจะมีข้อเสียนะแต่ว่าก็หวังว่าโชคลาบหวังว่าโชคนี่หรือบุญกุศลนี่จะอำนวยให้เกิดมีโชคมีลาบได้นะ ทำบุญเยอะๆนะใส่บาตรเป็นประจำเลยเพราะวันหวยออกนี่บุญจนุนส่งให้ได้โชคได้ลาบสักวันหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นความฝันลงรงแรงๆนะแล้วที่จริงเนี่ยการทำบุญเนี่ยนะเราไม่ได้ไม่ควรจะมีจุดมุ่งหมายนะเพื่อการได้โชคได้ลาบ อันนี้ไม่ใช่เป็นการทำบุญนะที่ผู้จ่าสารเสริญ น, นะว่าการทำบุญที่ผู้จ่าสารเสริญเนี่ยมันเป็นการทำบุญไม่ใช่เพื่อคิดจะเอาแต่ว่าเพื่อลดเพื่อละละความโลภละความตนนีงั้นถ้าเราทำบุญอย่างนี้นะมันก็เรียกว่าเป็นการทำบุญแบบบัณฑิตนะพวกเราทุกคนนี่เป็นบัณฑิตได้นะแม้ว่าจะจบปศสี่จบปศหกแต่ก็เป็นบัณฑิตได้ เริ่มต้นจากการทำบุญนะแบบบัณฑิตอันนี้พระสารีบุตรนั้นได้กล่าวไว้นะท่านพูดไว้ดีมากเลยบัณฑิตเมื่อให้ทานเนี่ยก็ไม่ได้ให้ทานเพราะเหตุแก่อุปทิสุขอุปทิศสุขก็คือโลกิยสุขสุขแบบโลกโลกนะสุขจากการมีการได้การเสพหรือจากความร่ำรวย บัณฑิตไม่ได้ให้ทานเพราะเห็นแก่อุปเทสุขหรือเพื่อพบใหม่พบใหม่ก็หมายความว่าได้ไปเกิดในสวรรค์หรือได้กลายเป็นเศรษฐีอันนี้เรียกเป็นเรื่องพบใหม่แต่บัณฑิตให้ทานเนี่ยนะเพื่อกําจัดกิเลสและไม่ก่อพบกําจัดกิเลสยังไงนะก็กําจัดหรือว่าลดละเริ่มจากลดละก่อนความโลภนะ ไม่ได้ให้ทานเพราะโลกอยากจะถูกหวยสุถรถตตรี่หรือว่าปรารถนาความมั่งมีนะแต่ให้เพื่อลดนะความโลกลดความตนหีแล้วก็ให้เนี่ยนะไม่ใช่เพียงแค่กำจัดกิเลสนะแต่รวมถึงว่าไม่ก่อพบใหม่พบใหม่นี่มันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะมันก็พอมีความยึดใน ตัวกูของกูเนะี่ยถ้าหากว่าลดละ้ความยึดในตัวกูของกูเมื่อไหร่เนี่ยจนกระทั่งไม่เหลือเลยนะมันก็ไม่มีเชื้อให้ไปเกิดหรือไม่เกิดพบใหม่ขึ้นมาผู้อยานึ่งคือว่าเนี่ยบัณฑิตเนี่ยให้ทานเนี่ยให้ทานเพื่อลดกิเลสและลดความยึดติดถือมั่นในตัวกูของกูเนี่ยอันนี้เนี่ยก็นําไปสู่นิพพานนะเพราะว่าพอถ้าเข้าถึงนิพพานเนี่ยมันก็ไม่ มีการเกิดใหม่หรือเกิดพบใหม่ขึ้นมาอีกแล้วพวกเราเนี่ยนะเป็นชาวพุทธทั้งทีเราก็มาทําบุญแบบบัณฑิตนะทําบุญไม่ใช่เพื่อหวังจะเอาแต่ทําเพื่อลดเพื่อนละนะเมื่อทําอย่างนี้แล้วเนี่ยนะใจก็เป็นบุญนะเพราะว่ากิเลสลดลงนะกุศลมันก็มากขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้พระเจ้าก็ตัดไว้ในที่อื่นเหมือนกันนะท่านบอกว่าเนี่ยคนเราเนี่ย ถ้าคิดจะเอาจะเป็นนะถ้าคิดจะเอาจะเป็นเป็นเศรษฐีเป็นคนมั่งมีหรือว่าเป็นคนเป็นใหญ่เป็นโตอันนี้เราคิดจะเอาคิดจะเป็นเนี่ยไม่ว่าทำไรเนี่ยแม้จะเป็นการบำเพ็ญเพื่ออพิญญาห้าสมาบัติปดสมาบัติ8นี่ยากนะหากว่าปฏิบัติเพื่อสิ่งนั้นเนี่ยนะมันก็ยังเป็นมิจฉาทิฐิเป็นมิจฉาปฏิปทา นะถ้ามีจิตที่คิดจะเอาเนี่ยแม้จะปฏิบัติเพื่ออภิญญาห้าสมาบัติแปดโอ้ซึ่งทําได้ยากนะแล้วเราก็มักเชื่อว่าเนี่ยใครที่ได้อภิญญาห้าสมาบัติแปนี่โอ้ยยกให้เป็นพระรหันเลยแต่พระเจ้าบอกว่าเนี่ยถ้าทําด้วยจิต ท, ที่คิดจะเอานะที่จะเป็นเนี่ยมันก็ยังเป็นมิจฉาปฏิปทาไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรยกย่องสรรเสริญ แต่ถ้าไม่มีจิตที่คิดจะเอามุ่งการลดการละไม่ปรารถนาโชคลาภไม่ปรารถนาความมั่งมีหรือลดละความตณ์หนีความโลภเนี่ยแม้ให้ทานเพียงน้อยนิดก็เรียกว่าเป็นสัมมาปฏิปทาพวกเรานี่ก็ทําได้นะสัมมาปฏิปทาไม่เป็นต้องเป็นพระไม่เป็นต้องเป็นเกจิอาจารย์เพียงแค่เราให้ทาน นะเพื่อการลดการละไม่ได้คิดจะเอามาทำบุญแบบนี้กันดีกว่ามาให้ทานกันแบบนี้ดีกว่านะจิตใจก็จะมีแต่เจริญแล้วก็ห่างไกลจากความทุกข์แล้วก็เข้าใกล้หรือว่าเข้าถึงพระนิพพานได้ง่ายขึ้น